แล้วปว่มันก็รู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยกับมูเซอร์คนนั้นเนี่ยมันจะเอกกันแล้วอมันเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะเราไม่รู้ประวัติเรื่องนี้แต่เราไปเจอโยมคนนี้ยทิดคนเนี้ยแกได้เมียมูเซอร์อยู่ที่เชิงแม่กระจารบ้านแม่กระจรนะเสร็จแล้วเนี้ยอายุแกเจ็ดสิบปานะตอนที่เราไปสดุดลงเราไปเจอกันเนี้ยพอเพลินพรมแดนเอา ประวัติอันนี้มันร้องอ๋อเรานึกขึ้นได้เลยว่าไปนวลอยู่ที่เวกจานแล้วมียแกนเนี่ยเป็นมูเซอร์นะเป็นเบาหวานขาตัดขาข้างหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันดูแลกันอย่างดีอาบน้ําอาบท่าเราดูนะตอนที่เป็นพระเนี่ยตาเนี่ยประจ่าเอกันตอนอาบน้ําส่งน้ําตอนในห้วยเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าอยู่เลยบ้านเนี้ยไปอยู่ที่อื่นเถอะ เสแล้วพระองค์นี้ก็ลาหลวงปู่มั่นบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นหลวงปู่มั่นบอกว่าโลกนี้กรรมเก่าหายยากแล้วยองผู้หญิงคนเนี้ยก็ตามมาจนเจอเป็นแล้วกระกสึกไปอยู่ด้วยกันทุกวันที่เราก็เจอนะเราก็ม่รู้ที่หลังว่ามันเป็นเหตุการณ์มาเป็นว่าอย่างนี้แต่เราเจอก่อนแล้วเราก็ยังสงสัยนีะทําไมสองคนผเมเนี่ยรู้เรื่องครูบาอาจารย์เยอะเหลืเอเกิน พอเพลินพรมแดนน่ะมามาลองใส่เทปแจกกันนะถึงได้เอะใจขึ้นมาเลยว่าอ๋อคนนี้นี่เองเนี่ยเจอเหตุการณ์มาอย่างนี้ที่ว่าไปทุดงนะอ่ามีมีเยอะอย่างที่มอเซอร์กลุ่มเนี่ยที่มันคุยฝังที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันย้ายมาจากเชียงรายที่โดยช้างหนองสารเคยได้ยินกาแฟาปู่พยาไหยกาแฟาปู่พยา ที่มีโลโก้ปู่พยาปู่พ ย, ยาอนั่นแหละกาแฟโดยช้างหนองสระเนี่ยตอนนั้นลุงปู่เล่าใฟังอย่างนี้ออได้ได้เอาได้ไปก่อนรีบไปรีบมา <c oughs> ลุงปู่ใช่ได้ได้ลงุลงปู่เชี่ยเล่าให้ฟัง <c oughs> ลุงปู่เชี่ยจะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ลุงอยู่โดยช้างหนองสะระเนี่ยไปอยู่กันห้าองค์ ลงปู่มั่นก็บอกว่ามันกันดานอย่าอยู่เลยบ้านมูเซอร์เนี่ยลงให้หมดแต่มีพระองค์หนึ่งอไม่ลงลงปู่บอกว่ามีองค์นึงไม่ลงเราก็ไม่รู้ชื่ออะไรพระองค์เนี้ยพอเราไปขึ้นขึ้นไปที่สามเวททุ่งบ้านมูเซอร์เนี่ยมูเซอร์มันย้ายมาจากนั่นมาเล่าให้ฟังมีพระองค์หนึ่งอ่าไม่กินข้าวกินน้ำอะพอนั่งภาวนานเนี่ยจนปวกที่ขึ้น พอลุกมาพบเนี่ยจะกินเปลือกกินมันมุเซอรว่าอย่างเงี้ยนั่งภาวนาเปวันวันนะนั่งจนปวกขึ้นเน่ยเราก็นึกในใจเอ๊ะพระที่ไหนวะนั่งขนาดนั้นพอหลวงปู่มาไล่ฟังอ๋ออ ง, งเดียวกันตอนนั้นหลวงปู่อ่ะบูม่นให้ให้ลงมาไงหลวงปู่ท่านก็ลงแล้วกับพระองค์หนึ่งไม่ลงมาแตอนนี้มันที่มุเซอร์คุยให้ฟังกับหลวงปู่เราไล่ฟังเนี่ยมันตรงกันอ่า เหมือนกันแล้วอกอ๋อมีจริงเพราะฉะนั้นชาวเขาก็เลี้ยงเนี้ยเพเรี้ยงที่พระพระเด่นเนี่ยพระเด่งพระเด่นที่หลวงปู่ชอบประอยูอ่ะมีกระเลี้ยงคนหนึ่งเรียกท่านพลีเนี่ยเรียกอาจารย์ลีตอนที่แกเด็กๆรุ่นๆเนี่ยอุปถันเรียกอาจารย์ลีนะแกอ่านหนังสือได้เราก็ถามว่าไปเรียนไปจากไหนเขาบอกกับพระมาสอนที่นี่เนี่ยสอนให้อ่านหนังสือ วันพระวันโกนเนี่ยเขามาอยู่วัดกันทางวัดะเอี่ยมก็เลี้ยงนี่นะก็เลี้ยงนี่เขาสถาพ เ, เหมือนเหมือนก็นเราโบราณนะเหมือนคนเราโบราณนุพระยุดกันเนี่ยก็วัดในไมาเอี่ยมแล้วที่พาะเด่นเนี่ยลูกกุชอบสอนไว้ทุกวันพระเนี่ยเขาจะมาใส่บาทที่วัดมาทุกวันพระเขาเอาไปตองห่อข้าวหอกับข้าวนะวทุกวันนั้ก็จะเป็นอางั้นอยู่ พอกข้าวเนี่ยมามาวัดกันเนี่ย mm hmm. ก็จะมายืนเรียงแถวในวัดมนละรอบชับ้นที่ <c oughs> แรกเราไปไปเที่ยวอ่ะเอมันลอยตีนอะไรเป็นมันแล้วรอบตลาดเนี่ยพอมาดูอ่อชาวบ้านเขาจะมาทุกทุกวันพระทุกวันพระเราไม่ต้องไปบินทบาล ท, ที่บ้านเขาเขาจะมาใส่บอกหลวงปู่ชอบสอนไว้ให้ทําอย่างงี้ถ้าเราไปบินทบาลทางเหนือเนี่ยเขาจะให้ให้พรใช่ไหมตรงที่ไม่ริมกับที่ผระเด่นเนี่ย ครูบาอาจารย์ให้ทําทําร้านไว้ ท, ทําล้านพอไปถึงงานปุ๊บเนี่ยเคาะเกะเคาะเคาเคาาขาก็จะมาเรียงแถวแล้วเราก็บินธบาทกันบินทบาทเสร็จแล้วก็มีที่นั่งให้พรเนี่ยให้ทอนคือไม่ใช่ให้พรไปบินทบารไปให้พรไปนี่ไม่ใช่เคาะที่เดียวเลยให้เขามารวมกันแล้วก็ให้พรทีเดียวเพราะนักครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ทางเหนือเนี่ยท่านบอกว่าภาวนาดีแต่ว่าญาติโยมทางเหนือเนี่ยมันไม่เหมือนนิสาน คือพื้นเทมันจะไม่ปฏิบัติไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ใช่ถิ่นจาตโยมที่นั่นเป็นแต่สถานที่เนี่ดีแต่ทางอีสานเนี่ยคือคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็ น, ปนผู้ปฏิบัติธรรมทางอีสานะเป็นถิ่นถิ่นทางใต้เราก็แข็งไปอีกมันก็เกินไปหน่อยอีกภาคกลางเราก็กึงก่ง กึ่งผ้ากางอยางนี้เจากวิธีดีเดี๋ยวถาภาวนาจริงว่าไม่ค่อยได้อีกทําภากลางเราเนี่ยมันไม่เหมือนพุทธเหมือนทําไมพระเจ้าต้องไปตัดพะโลหรือไม่ไปเกิดอุบัติขึ้นที่อินเดียไหมความพร้อมของว่าเพณีแล้วก็แบบนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการอย่างนั้นแต่ภ้ากลางเราเนี่ยมันเหมาะกับฝ่ายบริหานนรในผ้ากลางเราเลยนะแต่ถ้าเป็นภาวนาจริงเนี่ยพื้นเพทางอีสานเนี่ยคือพร้อมเลยเพราะว่า เป็นทินที่ครูบาอาจารย์ที่จะจ ะ, จะพร้อมกันมันเป็นทินทินไปแต่เรื่องภาวนาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ว่าใครท่นั้นตั้งใจจริงได้หมดไม่มีหญิงไม่มีชายนะการภาวนาได้หมดแต่โครงสร้างผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่เหมาะการภาวนาอีกมันอ่อนไปหน่อยนะมันอ่อนไปงม ง, ง่ายง่ายๆเลยนะเชื่ออะไรก็เชื่อโดไปเลยอย่างเดียวนะโยมโคร ง, งสร้างของผู้หญิงเนี่ยคือความเมตตาสูง ถ้าเกิดว่าใครพริกจิตมาภาวนาพวกเนี้ยจะได้ง่ายกับผู้ชายผู้ชายนี่แข็งเกินไปมันก็ะด้างไปมันเลยมันเลยสุดโต่งไปของผู้ชายเนี้ยมันสุดต่งทิฏฐิมันระสูงโครงสร้างผู้ชายเนี้ยถ้าทําได้จะแข็งแข่งเลยมันมันจะเป็นมันเป็นนิสัยทยานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ภาวนานี้ไม่รู้เรื่องนี้เลยเนะเจอรูปบทญเยอะเข้าไปเนี่ยโหโยมไม่ต้องพูดถึงหลอกไปศึกษากว่าตาดูเออ ถ้างปู่ไม่ด่าเราก็ไม่รู้นะด่าทุกวันเนี่ยก็ราบวชมาเพื่อจะศึกแล้วไม่ใช่บวชมาเพื่อจะเป็นนักบวชนะจริงๆอนี่ยบวชมาเพื่อจะมีเมียเ้าลูกชายก่อนจะแต่งงานก็ต้องบวชให้แม่ก่อนเนาะเพื่อจะได้บุญก็คิดกันอย่างนั้นเนี่ยที่บวชมาก็คิดอย่างเงี้ยพอบวชมาแล้วเราก็คิดจะศึกเสรหลวงปู่รู้แก้วเสรปุรเทีย่ยแล้วโอ้โห้ด่าสดสดสด่ดด า, าโยมอย่างเงี้เลยเนี่ย ค, คุยกันอ่ะเี่มีแฟนยังวะอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนเนาะ เดี๋ยวสึกแล้ว อ, าอาา๋อสาก็สึกกันเนะี่ยเราคุยกันวันในภาษาแบบนี้เนะี่ยทํางานตอนนั้นทำศาลากันทีว่วัดป่าพูยทัศน์อ่ะปีสองพัยิบเก้าวัดสร้างใหม่เนาะก็ทํางานเกณฑ์นี้แล้วก็นั่งคุยไปให้มีแฟนยังวะเดี๋ยวสึกแล้วเพื่อนกันเราลุงปู่อยู่หลังวัดนะปกติเราบินทบาทเสร็จแล้วเนี่ยจัดอาหารเตรียมพร้อมแล้วก็ดิ้หมดลุงปู่มาข้องปู่พาหลังของเที่ยวพาหลังกระดูกหลังเนี่ยท่านบินทบาทไม่ได้ เสร็จแล้วเราก็พับินบาตรมาแล้วก็เอาอาหารใสถาดเสร็จอาหารอะไรที่ท่านฉันไม่แสลงเนี่ยเราก็จะแกะยางออกแล้วก็ใส่ถาดไว้พอพร้อมแล้วก็ไปเชิญท่านมาแต่วันนั้นเนี่ยท่านมาแต่เช้าเลยนะมาเสร็จแล้วก็มานั่งเราบินทบบาทสามโคกกลับมาเอา้าทำไมหลวงปู่มาเร็วนี่เราก็นึกใจนะพอเอาเจีวลตากเสร็จเรียบร้อยก็แกะอาหารเสร็จแล้วก็เรานั่งที่สองสักไทยพระค้าองค์อะโยมเต็มสะล า, านที่เนี่ยเราเลยโยม อยากเอาข้าวไว้พระพู้นี้กินตัวพระใจเปรตเ็ด็กหาข้าวชาวบ้านเข้าไปช่องนั้นเลย <c oughs> มันออกมาเขาจะเข้าเอาง <c oughs> คือไม่ต้องแปลต้องแปลให้เลยดีนะไม่ออกชื่อว่า น, นั้นแหละผมต่อออกเชื่อละมึเงเอ้ยยไม่รู้เจ้าหน้าไว้ที่ไหนอะเราก็เลยมันเอกใจไงว่าเออเนาเราไปพระไม่น่าจะคุยเรื่องโลกน่าจะคุยเรื่องการโดยจงกรมเรื่องสมาธิคือเราไม่ไม่เคยเข้าวัดอย่างโยมมาก่อนนะจริงๆริงะ ทำงานธรรมดานี gerek, ่ยแหละทางมาฮักินไปเย็นมาไม่เข้าบ้านง่ายหรอกเพราะว่ายังไม่ยังไม่มีเมียนาะก็ไปนอนโรงแรม้งไปเที่ยวกินเลขี่ขาไปตามเรื่องมันเช้าก็ทํางานเลยอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตมาแบบนั้นไงเราไม่รู้เรื่องอเสร็จแล้วพอหลวงปู่ด่ามาก็เอกใจขึ้นมาเออเนอเราเป็นพระไม่น่าจะคิดเรื่องโรคน่าจะภาวนาซะก่อนสกรีนใหม่หมดเลยมนเดินยังกลมนั่งภาวนาทุดงรวัดเนี่ยสกรีนใหม่มีวันหนึ่ง พอเสร็จแล้วตอนนี้พอเราปกติจะเป็นนี้ทำวัดทุ่มหนึ่งเลือกห้าทุ่มเปิดเทศหลวงตาชั่วโมงหนึ่งหรือหน้าหนึ่งแล้วก็ปิดเครื่องอาจารย์ช่วยเป็นหัวหน้าพระพระพระเก้าองค์รวมทั้งปู่ด้วยเก้าองค์สวดมนต์อยู่ตอนนั้นท่านเขียวยังเป็นเนีนอยู่เสร็จแล้วตอนนี้ปกติเนี่ยพอพอสวดมนต์เสร็จปุ๊บ ไม่ตะเกียงรั้วเนะาะเมื่อก่อนยังไม่มีไฟตะเกียงรั้วก็หลีหลี่พอหลี่เสร็จปุ๊บเราก็แล้วก็ย่องย่องย่องแล้วก็ออกไปข้างนอกได้มีนายการพอใกล้ใกจะเริกสักห้านาทีนาทยีย่องย่องแล้วก็นั่งโชยมหน่อยทุกวันอย่างนกะันนะเพราะเราไม่เคยทั่งภาวนาไงไม่เไม่เป็นเนี่ยแต่พอหลวงปู่ด่าวันนั้นเนี่ยด่าตอนกลาวภาษานี่เราลองดูสินี่นั่งภาวนาจะเป็นยมหนิเนี่ยขามันจะเป็นนี้เพราะวันไม่เคย แล้วยมจะนั่งยังไงอ่ะเพราะเราไม่ใช่คนวัดนั่งแข็งก็ปวดตรงเนี้ยปวดหูสุดแต่วันนั้นเราก็ลองทีดจ้ะของปู่ด่าเข้าไปลองเลยนั่งกดกดกดเอายาหม่องทาทาทายาหม่องเนี่ยทาทากดกดกดกดกดกดไปง่ายนั่งทับพอพุทธทอมาสักแป๊บเดียวนะโอ้โหเหมือนเหมือนเข็มติ้มเหล็กจิ้มอ่ะแล้ยุงปรทุมเนี่ยไม่ต้องพวดถึงถ้าใครไปประทุมเราจะรู้จักเหลือยุงเพียบ มันเหมือนกับเข็มจิ้มเหล็กจิ้มเราขนั่งไม่ลุกอ่ะอ้าพุทตาตาตาตพุทธตาตาตายเนี่ตายตายตตายเจ็บไปแค่เราไม่มีมึงไม่มีกูตายแต่ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุ๊ตม๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตผ๊ตบมัน๊ตุ่ตุ๊ตุ๊ต ศพมก็ไปหนีแล้วก็นึกอย่างนี้แะนึกไฟเผก็โทรไปด้วยโทรๆๆๆพูดโทรไปมีแล้วโทรแล้วจิตมันเป็นสมาธิปุ๊บลงไปวันนั้นเน่ะกลางภาษาเลยปีสองเก้าอ่ะนั่งยุ้งกัดไม่เจ็บจิตที่เคยคิดไปทางโลกนี่มันเปลี่ยนเลยมันหยุดคิดชั่วคราวหยุดนั่งพอนั่งปุ๊บในแจ้งใจแจ้งเลยแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้นะว่านั่นคือสมาธิความโง่เหมืนกัน โง่แท้ๆเลยหละไม่รู้เรื่องเลยนั่งทับเข้าไปหนึ่งไม่ต้องพูดโทรศัพท์ตีสี่ตีห้านี่แป๊บเดียวเลยนะไม่ช้าเลยมันมันติดสุกอีกเราก็ไม่รู้นะว่าสมาธิพอนั่งไปมีวันหนึ่งเขาปู่ท่านก็ถามอ่ะแถวเป็นไงบ้างนั่งดีครับอแต่ยาวดึกนักแต่มอนั่งแล้วมันมันมันไม่อยากออกไม่ง่วงไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องฉานกาแฟ แันคำสองคำนี้อิ่มแล้วข้าวเนี่ยน้ำหนักห้าสิบสี่กิโลอยมเห็นตัวยาวคอ ย, ยาวนะพอตัวสูงมันจะคอยยาวมาผอมอะสี่สิบห้าสิบสี่กิโลอะคิตัวมันฉันนิดเดียวมันอิ่มเลยทํางานตากแดดทํางานแบบนี้เนี่ย ท, ที่สร้างวัดกันเนี้ยเพราะวัดสร้างใหม่ลูปู่ก็ทํางานกับเรานะมันพองอะ น, น้ำสใสใสอะ พี่นั่งมองไม่เจ็บแดดไม่ร้อนเอมมันไม่ร้อนนะปกติมันจะร้อนใช่ไหมแดดไม่ร้อนแล้วก็ที่เฉยอยงั้นทํางานอย่างนั้นเน่ยแต่โทษฐานของมันนะ่ะติดสุเกะอยู่สามปีเต็มเลยโดยที่เราลืมไปเลยเรื่องโลกที่เราว่าจะศึกเงี้ยมันลืมไปเลยเนะี่ยมันลืมไปเลยเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาไปนะทำงานทําอะไรแล้วแต่นะศีลเนี่ยสองร้อยิบเจ็ดนี่ยังน้อยไป ให้แสนข้อไม่มีคําว่าด่างพ้อยเลยมันละเอียดอะกิตเป็นามที่มันจะละเอียดเสร็จแล้วตอนนี้นติดสุกแบบเนี้ยอยู่สามปีไปเสื่อมที่วัดอาจารย์ทศกัณฐกับแพงญเพชรพราะเสื่อมแล้วทุกรู้นะว่าว่าจิตเสื่อมไม่ตอนที่เป็นสมาธินี่ไม่รู้นะอมืมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะติดสุกเนี่ยมันเหมือนกับพอมันนั่งปุ๊บไม่ต้องบริกรรม พอลุกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องบริกรร ม, มทําอะไรแล้วแต่นะมันเหมือนมีเกาะป้องกันรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าโยมคุยธรรมะหรือเด็กวันเนีนมันจะฟังเพลินนะแต่ถ้าคุยเรื่องโลกปิดเลยเพื่อนไม่มีเลยตอนนี้มันไม่เล่นเนี่ยจิตเป็นสมาธิตัวที่เราไม่รู้ตัวในว่านั้นคือสมาธิแต่โทษของมันเนี่ยติดจุกเนี่ยพรเสื่อมเนี่ยมันร้อนมากมันร้อนมันเหมือนกับ อยูผาทงัตผาทงอออาจารย์กลังทำอาจารย์อาจารย์ครับเอแนวอาคารที่เราจะทำใหม่นี่อาจารย์เราแนวห้องน้อีกหรือห้องนชายครับแนวฉากครับเอาของของของของของอะไรที่ไม่ฉากเนี่ยของที่มันฉเอยต้องช่วยกันอาจารย์เพราะมันเยอยู่ไมดดึง ดึงให้มันตรง ko ดึงเสาให้ตรง down, ข้างหลังเนี teh, on, um, ่ยด well. ึงอาข้างหลังให้ตรงไปแล้วจ um> ับขัดหมัเนี่ยดึงข้างหลังให้ตรงไปแล้วจับขัดหนน้าครับได้ครับเอับเสาเาเาเสหงีั้นมันจะมาเลยเอ้ยเอเนี่ยเพราะมันบริกรรมอย่างเงี้ยที่เราว่เนี่ยทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทวทว จะให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยต้องยึดถือสมถะตัวเนี้ย ance, สักเรื่องหนึ่งอะไรก็ได้นึกถึงอธิไปได้นึกถึงความตายตายตายตายกันเลยอย่าเงี้ยย well> like ุกหนอพองเนอได้หมดอย่างที่ว anyway> ่าเราไปไปไปฝึกกันมาเนี่ยถูกแล้วแต่ว hmm ่าจ vale> ิตของเราเนี่ยมันถูกอะไรยุกเนอพองหนอยุกเนอพองเนอย่างเนอเหยียบเนออะไรได้หมดเลยพวกเนี้ยมันเป็นอุบายวิธีเฉยมันเหมือนทางโลกเราเนี่ยทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เงินเนี่ย ทำสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันแล้วอาชีพที่เราทําเนี่ยทําให้มันชํานาญเลยจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้จะค้าขายจะตัดเสื้อผ้าจะอทําทอะไรก็จะขับรถจะพ่นสีรถจะทำแอทําอะไรเงี้ยคือขอให้มีสักอาชีพหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็จะมันก็จะทําให้นั่นไปเองเนี่ยถึงเราไม่ชํานาญเราก็พอเลี้ยงตัวได้อะไรงเงี้ยนะแต่ขอให้มีงานทักอย่างหนึ่งเหมือนขอบริกรรมเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าโยมคนหนึ่ง ที่แกไปวัดดอยธรรเจดีแล้วก็ไปนั่งมองน้ําอ่ะนั่นคือกสินอ่ากสินอาโปกสินแต่เจ้าของไม่รู้หรอกว่านั่นอ่ะคือเราเพ่งกสินนั่งอยู่เฉยคนเดียวเงียบไงเหมือนอย่างหมู่พระที่บอกว่านอนในกุฏิแล้วก็แสงมันรอดมาจากไอ้ข้างฝาก็นอนเล่นเฉยก็นั่งนอนมองเนี้ยจิดเป็นสมาธิตอนนั้นเลยเขาเรียกว่าอะโลกากสินตรงเนี้ยกสินอาโปกสินก็คือเทงน้ำเหนไหม เพ่งไฟเพ่งดินเพ่งลมเพ่งสีแดงสีเขียวสีขาวแต่เรื่องกระสินเนี่ยต้องฝึกกับครูบาอาจารย์ที่ท่านชนานาญนะไม่งั้นเพี้ยน ง, ง่ายากระสินเนี่ยเคยแก้ไขปัญหาหเขาอยู่มีโยมคนห น, นึ่งอ่ะเขาซื้อหนังสือกระสินสิบมาอ่านเสร็จแล้วเขาไปถูกใจกเพ่งไฟเพ่งเทียนเนี่ย พอเสร็จแล้วโยมเขาบอกว่าอาจารย์มีเพื่อนกคนหนึ่งเขาติดกระสินไฟแล้วเขาตอนนี้มันเพี้ยนาแล้วทําไงอะ่ะอาจารย์ไปแก้เขาหน่อยนี้อยู่ที่วัดธรรมสติถ์เนี่ยเนี่ยเราไปแก้เขาว่าแล้วเดี๋ยวก็ไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันที่หลังมันจะเลยเวลาหมอคนนัดเดี๋ยวไงว่ากันอีกทีนึงที่ไหนไม่รู้เนี่ยตรงที่ปทุมเนี่ยเขาจะไปฉีดอะไรสักอย่างนั้นเนี่ย หม้ออะไรเนี่ยเนาะเดี๋ยวอาจารย์โทหมายมาเดี๋ยวได้เศได้ฟังทิงเดี๋ยวก็เก็บตกไว้หลังเรื่องเกษินนี่สนุกเกษินสิบเนี่ยเดินบนน้าได้นะเเพ่งลมในหอได้มันมีอะไรเยอะคือถ้าภาวนาเนี่ยมันต้องคุยกันบ่อยๆคุยกันศึกษาหรือใครมีปัญหาอะไรมาคุยกันเนี่ยมันจะได้ ไม่เนื่นช้าแล้วมันจะไม่หลงทางแล้วมันก็จะทำให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุยกันสนุกสนานไว้ก่อนได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่นไม่ใช่ไรเดี๋ยวเขาจะรอเดี๋ยวจะโทหมายมาจด่าโหอวกมหาเทศเพืเอนมึงนี่ยได้ไมเป็นไรได้ไป ได้เลยทีนี้ทำกระถิ่แลพวพบน้อ๋อได้เลยเออได้เลยสาธุอันนี้ขาท่านทุกายท่านจังโอเคโฟที่ทำนั่งหน่อยโอ้ที่ทํานเพลงมาโรงหมดแล้วเรื่องบ้าอ ไม่ได้ออกมาเลยมันลำบากพอจะม า, ด า, ากด้่ะดีนิดนึะได้ได้ได้สาธุได้เลยนะอืมไม่ไม่ติดังอ่ะอันนี้ได้ไหมในกินี่สนุกต้องกับมีครูบาอาจารย์มันไม่งั้นไม่ได้เลี้ยงก็หน เขาเป็นปัญหารับแก่อยากแก้ยากได้แต่ทุกเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันแก้ยากพรมันเหมือนกับมวยอ่ะไอกสินเนี่ยนะเปนิยมไม่ว okay, <sa este em poetry Romeo> ่ากสินหรือการพนันเนี่ยมันเหมือนขึ้นเวทีชกเมื่อถึงเวทีชกของตะลุมบอนฝึกต้องมาดีแล้วพี่เลี้ยงต้องดีแล้วเราต้องฟังพี่เลี้ยงด้วยเอพี่เลี้ยงเห็นท่าไม่ดีลูกน้องเนี่ยโยนพักขาวก่อนยังไงย้ายน็อก ย่าให้นอกเอาลงมาก่อนแล้วค่อยเจี้ยยาใหม่แต่ทนใหญ่เนี่ยมันอกก็จะนกจนช้ำงอมพลามแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> พอมันเกิดสัญญาประลาดขึ้นมาเนี่ยมันแก้ไขายากมันยึดเลิมยึดคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งตรงกระสินไฟ่มันเป็นอย่างนี้โยมคนเนี้ยเขาเขาไปซื้อก็หนังสือกสินสิบมาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เพ่งเทียนขเขาล่าใฟังไอตอนที่เราไปอะ่ะ yeah. โยมเชื่อไหมว่าโยมผู้หญิงผ ม, มยาวแล้วไม่อาบน้ําแล้วเสื้อผ้าขาวมันดำํำหมดเพราะคนบ้ารวยดีนี่เนี่ยมันมั น, มนวิปลาสแล้วไงสาเหตุที่วิปลาสคืออย่างนี้พอเขาไปอ่านกระสินมาแล้วเนี่ยมันเกิดอิทธิฤทธิ์ก็อชอบเลยก็เอาเทีย น, นเพ่ ง, เ พ, ง เ, เพ่งเทียนพอเพ่งเทียนปุ๊บเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิอยากรู้รเรื่องอะไรไหมหงุดหงิดเลย หวยจะออกอะไรเงินนี้แล้วก็ถูกจริงโยมคนนี้ยแล้วก็เพ่งไปหาเพื่อนเพื่อนทําอะไรเนี่ยรู้หมดเลยอตอนนั้นเน่ยใครคิดอะไรเพื่อนทําอะไรจะกินข้าวจะนอนจะนั่งเนี่ยมันก็สนุกเพลินใช่ไหมแต่โคทษขวกมันคืออะไรไอ้แสงไฟตัวนั้นอ่ะมันไม่ดับมันเหมือนกับเอาไว้ฉายเมื่อเราขับรถก็แล้วกันอ่ะกลางคืนเนี่ยเห็นไหมรถส่องไฟหน้าเรายังงงเลยไอ้แสงตัวเนี้ยมันเหมือนเอาไวฉายส่องหน้าอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอยู่เหมือนนโยม นั่นคือวิปรัแล้ะเอาลองเอาไว้ฉายมาสองหน้าเราเองก็ได้เอ า, เอเเอามันก็จะเบิกจะงงเพราะแสงว่าสว่างตลอดอีกตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกิดสามหงุดหดงิดหงุดหงิดแล้วก็เอารมทุนเฉียวมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะลามหมดเลยเอา่ามันมันจะมั น, ม, นมันนะเสร็จแล้วน้ําไม่อาบเลยแต่เ น, นี้ยก็ไฟมาสองหน้าตลอดทําอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วแนนี้มันก็เพ้อเจอไปทั่วพอเราไปเจอก็บอกว่า หยุดนะมอให้หยุดทําให้แสงมาดับแกก็บอกทําไม่ได้ทําไม่ได้ทำบ้านไปเลยเอางั้นเลยหยุดส่องออกนอกให้แสงสว่างมันเข้ามาภายในในกายเราอะ่ะเพ่งให้มันแสงสว่างให้มันเห็นตับเห็นไตเห็นกระดูกทันทําไม่ได้ทำต้องได้นี่มันเห็นแสงแล้วเนี่ยนะเราก็บองเงี้ยทําไม่ได้นะให้เพ่งอยู่ในนี้แล้วก็ให้มันดับไปถึงถ้ามีแสงก็อย่เข้ามาข้างในไว้อย่าทรงออกไปนอก แกบอกทําไม่ได้ต้องทําให้ได้ไม่ได้บ้าเลยเขาว่าองเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นี้เมื่อแสงดับแล้วเนี่ยอย่าไปซื้อหวอยอีกนะห้ามซื้อหวยแกก็สาบานนะแกกว่าเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรากลับจากอ่ินเดียแล้วเสร็จเราก็ไปอินเดียไปอินเดียเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาแล้วเนี่ยแกโทมาหาเราบอกอาจารย์แสงหายแล้ว แล้วฉันถูกหวยอขาบอกว่าไปซื้อหวยเอาทำไมซื้อหวยทำไมอีกลองพอดี๋ยวฉันสร้างบ้านแล้วตังค์มาขาดแสนนึงฉันเลยจุดธูปอธิษฐานขอเข้ามาจานแล้วถูกหวยเออคูณผีที่ไหนเราบกไงแค่ถูกแสนนึงแกเอาไปซ่อมแทนบ้านเดี๋ยวบอกเงินขาดแล้วบอกอยากบ้าอีกไงระหว่าง่งแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยต่อลังมาแสงมันหายคืนนี้เนยถ้าเกิดว่าเราจะจะเพ่งเทียนเนี่ยอเพลงแสงสว่างหรือเพ่งไฟอะ เอาเทียนจุดในที่มันไม่มีลมพัดอะ่ะแล้วก็เพ่งลืมตาก่อนอ้าวพออเตโชกับเชนนังเตโชก็บเชนั ง, น, งนึกกระ่ายไงนึกเพ่งแล้วก็หลับตาแล้วก็เห็นแสงสว่างพอแสงสว่างมันเริ่มขึ้นปุ๊บเราก็นึกกระจายทำใหญ่ขึ้นใหญ่เท่าเหรียญบาทใหญ่เท่าฝาบาทใหญ่เท่าถาดใหญ่เท่ากระดง่งใหญ่เท่าใบบัวใหญ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยใหญ่ให้สว่างจ้าไปทั่วโลกก่อน แล้วก็ย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมาย่อมาให้เหลือท่าปลายเข็มให้เหลือท่าปลายเข็มแล้วก็ให้มันดับดับแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้มันนึกขึ้นมาได้เองอีกคือได้กินจินาการเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้มันชานานซะก่อนเขาเรียกว่าสีตัวเนี้ยแต่พวกกระสิเนี่ยมันคิดมากใจมีอิจฉาลิศแล้วมันจะติดง่ายคนธรรมราเราติดง่ายเพ่งน้ําเดินบนน้ําได้เพ่งดินโยระยะทางได้เนี่ยถ้าเรามีกิเลสกันเนี่ยถามว่า มันไม่ติดให้มัรู้ไปสิถูกไหมล่ะผูดถึงเนี่ยอันดับแรกที่แกแกติดไปสมาธิเนี่ย แ, แกเพ่งห่วยเลยไปที่กองฉลากเลยแกว่าอย่างเงี้ยแล้วถูกจริงมันก็ติดเลยเนี่ยติดเนะ่ยแล้วใครมั่งไม่ชอบถูกไหมล่ะติดเนะนี่ยติดตัวเนี้ยมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยมันมันค่ะฉันแค่แบบนี้ทำไม่อยากจะพูดใครนะเานาะมันก็อะไรนะคะ 6มันเขาทุบวดเก่งปกซูนน okay ีม right right ันออ6ปกปกใช่ไหมตกรวจรตัวกูจะเป็น6กปืนกนี่เราที่เราเขาเก็งแล้วทุ่วดทำไมไม่เอาลออ ก่อนที่แล้วกะนำเขีนมันคงไม่พูดไทยหรอกนะเอ๊ะมันทำไมง่างแต่เนี่ยภาษาตัวเนี่ยเข้าตรงๆมันทุกข์มากเลยแต่มันก็ยังทาได้ตอนนั้นสมาธิครูบาอาจารย์บอสมาธิแับตายายเลยนีแบบนี้เออาะไม่ได้ดีนะที่ทนบอกก็ถือหลวงพ่อศรีเลยจคทำสมาธิให้เขียนเขียนอะไรอยู่ก็เผาประมาณตั้งสามจุดตีเลยนะแล้วก็มา ต่อที่เป็นครูบาอาจารย์นะที่อยองนะองมาแลมาวันนี้อีกก็มาเจอเขาบอกให้เราเทียนเดยก็อาตามงูสิเตโชเตโชกินงเตโชเตโชกอนน่ไปาเยลอก็จะม่งแล้วก็เอาเทียนปามานั่งหัมันทะเลมยก็ไปูใครนะแล้วเอานี้เราเส เอนเลยนะโดนขาไม่ดีมาอาสิบปีส0สปีแล้วหอลงข้าวอ่ะไม่ด้ใื่แล้วก็เดินมาเรื่องจะเป็นจริงเลยที่พี่ทูกไทยนะต้องเสิมเพื่อที่ทำเป็บ้านนะคะเป็นบ้านไม้เก่า ที่ซื้อตอนนี้มันเริ่มมาแล้วเสรษฐกิจตัวอันนี้อะไรจะมาเยอะเลยแล้วมันเหมือนจะอะไรมาแล้วสิโอ้ใ ไ, ไหวแล้วนนาะมันหนักกันนะไม่ัดสวที่ตัชั้นบอกได้สวยเอยนะอันนี้มันต้งไเดียนกลัวอกมันต้องขึ้นลอย เพ่บอกแต่น้องเลยฟอง ม, มาันบากมากค<อ>่าพี่ดินึัเท่าไรเท่าไรนะไม่ได<อ>้เิหมือนตรงนี้แล้วที่ทเพ่เอเพื่อนบ้านที่บา้านแล้ ว, วั้องผสมสาร<อ>ต้องเลี้ยป้ที่มาถึจะขายอ่ะเขาก็จะต้องติกองไม้ผูกๆไปถูกฟาย้านท้า เ, เ, เราจะช่วยไม่ไหววัวเราเราก็ไม่ไหวร<อ>ีบอกนะอกไหมคะมันก็ไม่ไหวมันเหมือ น, นอะไรอ่ะ มาทำมาพิชมันก็ยังไม่ได้เข้าเก่งถ้าเริ่นมาทํานี้เหมือนจะโงใส่เกงใส่เกงมันก็เริมไม่ไหวเล่นวันนี้ที่ทังเทศตรงเลย่ะเลยบอกกับน้องว่าเดี๋ยวไว้ขอนี้โอกาสว่าจะที่ทั้งเรีนเชิญที่บ้านอที่ที่ที่บ้านนะฮะแล้วก่อนมาเอาน่าที่บ้านนี้ก็มากล้วที่นั่นอยู่อยู่นั่งฟหลือพ่อจะรัที่ทังเทศ ท่านบอกว่าแม่ท่านชอเทมหาชาติก็เอาทีนี้แม่แม่ปีเตียก็ไปถามว่าพี่เทมหาชาติขยันทีุ่นะครัท่านก็ไปเจอที่อะไรอะไรจนจะท่านได้กว่าที่แม่จันได้แบบปีเตียท่านก็บอกว่าถ้าสงดีอะไรเนี่ยที่ใหญ่ใหญ่เขาเจ้าท่านบอกว่าโยมโยมเอาไปเช่อที่เขาถึงา พทิทีเป็นงานคนสั่งตายเพื่อที่บ้านมีที่คนสามคนก็ได้พักที่เนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพน่ะท่านมาเทศที่บ้านท่านบอกว่าอารมณ์ละห้าคนมีแม่มีพี่แต่รู้ว่าคนในบ้านที่มองไม่เห็นนีเยอะท่าน่อท่านก็จะมาเามาท่านบอกหกหกเทศที่บ้านของาเรชาติเมื่อปีนั้นมาเสร็จแล้วตอนนี้ไฟเพงแต่ออกสงสัยแล้วก็ไม่ได้นอนแล้วก่จะเข้ามา เริ่องเนี่ท่านเทพตรงจริงจรวันที่คิดก็จะไม่ได้มาตามใจมานะอาวที่มันก็เือสาโลกเนก็หกแล้ววันนี้นั่งก็เกิดตาี่พี่จะมาตรงนี้นะแต่วันนี้ไม่เคยมาเลยนนี้่ทานเทพตรงเลยบอกกัน้องว่าเดี๋ยวเอาไว ตรงขอให้ทํานมีบ้านได้เลยเดี๋นวยจังหวะดีเนาะใช่ที่ตรงเลยค่ะคือสุสานเขาวิญญาเยอะเลยยืนติดไม่ต้องตายเาเป็นไม้โกเก่าอ่ะติดแล้วเราจะทำไงราจะติดเราจะทำไงราจะไหวจะทำไงอ่านในในลายตอนปีสามเห็นบอกว่าอะไรอาหารคูครัวคู่คร yeah, ัวะรค่ะสาบันโลกกรรมวัตถุติดเขาเป็นชุดติเถอะอันนี้มันเหมือนก็ไม่อยากคุยไปนะมันมาแล้วมันเหมือนใครยังไม่เคย อมันโค้งไม่ไหวลใ่แต่ให้ไปเกิดมั้งมันไม่ไหวอ่ะมันมันมันหนักเกินเตะถูกกระสีมากมันหัวจแต่มันจริงๆมันจะโชว์กระถูกไปไ้ม่พูดมันมันมันก็เหมือนจตรงนี้นะจากที่ินนเหมือนเท้าปั๊บทำให้เราจะหักอะพุ่นกำลังดิงเล่นมือเล่นมือ ไม่รู้สักล่องรอบๆมไงก็เสิดขนมาคันจะตาทุกเมื่อก็ไปเก็บก็ต่อมานั่นไปเม่ยั้งแหกะตายเจอน้องดีแบบนั้นมาทำเงินจริงๆแล้วก็ารู้ตเรารู้อนนั้นกดรเินะเขาน้องกระสอบก็ไปฟ้า พูดละแปดบาทต้องพูดป้าโสดมีไซน์วสดดีมากพูดละร้อยป้าหนูปาทำตำราปาคืองวันนั้นก็มองใหญ่เลยเขาพูดละแปดร้ไปบาแล้วก็ได้อาจีพมาแต่ตอนหลังมันเหมือนว้า แลกหัวแรกมาแลกหัวแลกมาอะไรไม่มีใครได้ทีหอกีก็เอาอย่างเดียวแล้วค่ะพุทโธเมาหธมูเมตตาหัวทนน่แหะีไม่เป็นไรบาแล้วนะนี่แหละดีแล้วที่ว่านันมันเป็นปัญหายิ้มหมาแล้วนั่นแนั่น ใช่เลยเท่ตรงนี้ตรงเยเราคนอื่นไม่รู้เราต้องภาวนาด้วยกันการภาวนาต้องภาวนาด้วยรมันิ๋วยแม่นแต่มันไม่พักเดียวแต่มันเหมือน่พักเดียวค่ะมีเสียงตรงแล้วมันเหมือนเสียงะตอนไม่รู้ติดนมัน่อม่อย่าีนะ พักเดียวก็จะเคลื่อนแล้วอุณจะเคลื่อนพุทโธมีนาทุกมันจะน ไ, ม ไ, มไม่ใหม่อยู่พักนึง <c oughs> พอความโลภเ ก, กิดเคลืนเหมือนเทวทัศนตอะเขาเรียกชาโลกีตัวเนี้ยอย่างเทวทัศน์มันได้ชาโลกีไม่ใช่โลกุตระชาเนี้ยมันจะเข้าไปถึงตรงนั้น <c oughs> พอชาเริ่มเสื่อมก็ฆ่าพระเจ้าได้เลยล <c oughs> ะเอ่มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะชานเสื่อมมันไม่ใช่โลกุตระชาโลตรชาเนี้ยคือรู้รู้ความท้นรู้ความท้นทุก โรกิชาหายตัวได้โหเลื่อฟ้าได้จนพระเจ้าาัตูอย่างเลูกพิธไหมี้ก็ท่าเทพมาโดนผิดในใจสองาำเลยลูกก็บอกว่าบ้าแม่ด้วยแคแม่ขายเถอ ก, ก็รู้นะเขาขายเป็นเศษไมาเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะถ้าจ ะ, จะทำะไง <c oughs> เราก็อุาานนสอาาตส่าหาทำตามนะเธอตาหารทุกโตทุกโตตาหางงเป็นผ <c oughs> ิดนะทุย <c oughs> เดี๋ยวเขาว่กันเอาไปเดี๋ยวคุยกันเนาะเป็นไรดีดีเดี๋ยวว่ากันคุยกันอย่างเงี้ถอนยาค่ะถนดีนี่ดีนี่ไหนภาวนากันที่เนี่ยตองตองพูในหนาผัวแล้วอาจารนวรับถะอเราเข้ันนี้ก็สิบสงต้นว่นนิดนั่นะสาธุเดี๋ยวจะ อา้าวนั่งนิ่งๆจะอธิบายเรื่องการทำบังสกุลให้ฟังสักเรื่องหนึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะพอเป็นแนวทางเอาละนั่งเฉยๆพูดโท้พูดโท้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะได้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลพระาชบุรีปีหนึ่งนะได้คุ้นเคยกันกันกนกบทั้งพยาบาลทั้งหมอที่น้น อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆสสขอบคุณนะที่เป็นสสเนี่ยโดนฆาตกรรมก็คือว่ายิงโดนยิงตายกลางสี่แยกเนี่ยสีแยกที่ไฟแดงที่ราดบุรีเสร็จแล้วตอนนี้เมื่อฉันจังหันเรียบร้อยแล้วเขาก็นิมนต์เนี่ยพระก้าววัดไปทำ บางสกุลแบบนี้เนี่ยให้กับอ่าสสกรกุลเนี่ยพอดีเขามีาลูกสาวคนหนึ่งพอฉันเสร็จแล้วก็ได้มนต์พระเก้าวัดก็จะมีหลวงปู่มไม่หลวงปู่บุญเรืองหลวงปู่ ม, มงคลหลวงปู่สุพ์แล้วก็หลวงพ่อบุญส่งแล้วก็มีพระเชา พรกาลุนแล้วก็มีท่านอะไรมีทั้งหมดเก้าวัดด้วยกันเขาก็เอาสังฆทานมาแบบนี้แหละทำมาเสร็จแล้วเขาก็เอามะกองตรงหน้าพระอถ้าเราวัดเราชุดชุดชุดชุดชุดนุกูไม่ก็บอกว่าเอามารวมกันเนี่ยเอามากองไว้กลางบ้านเนี่ยก็คือเอามาทุกทุกอย่างเนี่ยมารวมกันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาเศิศีลมาพันเนี่ย พอ เ, เอาทีสินพันเสร็จแล้วน้อปู่ก็ถามว่ามีเสื้อผ้าเก่าๆของแม่ถ้าชดแม่เขาไม่ลูกสาวคนนะึงลูกสาวเขาก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีโยมเชืมม่อไหมว่าในระหว่างที่บอกว่าไม่มีเนี่ยวิญญาณของสสกอบุฏเนี่ยเข้าสิงลูกสาวเดี่ยวนั้นเลยอันนี้นะเข้าสิงบัตรตนเลย เขาบอกว่ามีอีกชุดหนึ่งอยู่ใต้ตู้คนก็เอะอะไวไวขึ้นมานะก็ขึ้นไปดูบนห้องนอนของแกมีชุดหนึ่งจริงๆนะชุดหนึ่งเสร็จแล้วตอนนี้ก็เอามาวางบนผ้าเอาผ้ามาวางที่สังฆทานแบบนี้เนี่ยแล้วก็เอา ส, สินเนี้ทำมาให้พระหลวงปู่ก็เอาพระจับแล้วก็บังสกุลพ่อ พระอ่าพิจารณาก็คือว่าอนิจจาวัฏสังขารเนี่ยลมเนี่ยลมเนี่ยพัดในบ้านน่ะในห้องนั้นแหละแล้วในห้องนั้นมีโคมไฟนโคมไฟช่อใหญ่ใหญ่แบบเชิงเกลียเพราสวารโลกี้อย่างเงี้ยใหญ่ๆลมเนี่ยมันพัดในบ้านหมุนหมุนไปหมุนมาเยคมไฟนี่ยึกยักยึกยักยึกยักเป็นคนเงียบกึศ ใครบอกก็ผีกลัวพระพระเนี่ยจะกลัวผีนี่คือสซซก็ควรอ่อยเชื่อได้เลยเพราะว่าไปลูกสาวคุ้นกันลูกสาวก็มีลูกสาวคนเดียวเนี่ยคือวิญญาณย่งอยู่ในบ้านนั้นนี่คือทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเนี่ยคือทําสังฆทานอย่างที่ทําเนี่ยดีที่สุดแล้วอุทิศให้เลยบุญเนี่ยไม่ต้องเอาไว้ แต่ที่น่าคิดเนี่ยคือเรื่องของมันเนี่ยก่อนที่เราจะตายเนี่ยทำซะก่อนทำแล้วเป็นขงเราเลยนะบุญกุศลเนี่ยอย่ารออย่ารอให้คนอื่นทำให้เราแต่พวกเราทำให้บรรทัพหุษเนี่ยเขาเรียกว่าความกตัญญูที่พวกเราระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่ลงรับไปนแล้วเนี่ยจะตายด้วยวิธีไหนกแ็กแล้วแต่ทุกคนก็ต้องต้องถึงเวลาแล้วก็ต้องตายหมด แต่ก่อนพวกเราที่จะลาโลกนี้ไปเนี่ยให้ตั้งสติให้ดีว่าสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้เนี่ยคือบาปกับบุญสองอย่างเนี่ยแต่บาปเนี่ยมันจะส่งผลหรือว่ากรรมเนี่ยมันจะพาเราไปตกในที่ที่ทุกข์ยากลาบากขาดแคลนถ้าเกิดว่าเราทําบุญมีการให้ทาน้างรักษาศีลภาวนาบ้างเลี้ยงดูบิดามารดาดูแลบุตรภรรยาสามีสองเคาขยญาติเนี่ยสิ่งต่างต่างเราเนี่ย เนี่ยมันเป็นบุญที่ทําให้เราเนี่ยสาเร็จประโยชน์หรือความสุขต่างๆจะเกิดขึ้นหรือความที่พึงปรารถนาเนี่ยจะได้ขึ้นนะจะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทําไว้นี่เองนี่คือเราทําเนี่ยที่เราจะทําสางฆทานเนี่ยก็คือผลมันเป็นอย่างเนี้จริงๆยลวงปู่ก็ครูบาจารย์ลงรับดับขันไปหลายองค์แล้วเนาะปู่สุพจน์เราก็ไปนะหลวงปู่ใหม่เราก็ทําบุญไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ย ครบรอบสามปีของหลวงปู่สุพจน์ก็จะถึงแล้วก็ท่านละสังขารในภาษาเหมือนกันหลวงปู่สุพจน์เนี่ยยรูบาอาจารย์ท่านก็ร่วงโรยไปอันนี้คือเราทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือวิญญาณเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆอีกอันหนึ่งไปอินเดียเป็นครั้งที่สามกับหลวงปู่ใหม่เนี่ยปีนั้นไปกันรถสามคัน มีหลวงปูกคําผิวไปด้วย เ, เรื่องวิญญาณเนี่ยนะแต่แล้วตอนนี้จากพาระนสีจะมาพุทธคยาพอถึงกลางทางเนี่ยรถก็จอดลวงปู่ใหม่ก็บอกว่าเชาลงไปเป็นเพื่อนโยมหน่อยเดี๋ยวผมจะพักสักเงีบหนึง่งเดี๋ยวเราก็ลงไปพวกญาติโยมเนี่ยเงียบหลับขยับกินกันแล้วกันนะไม่ว่าไปที่ไหนพอขึ้นรถก็เงียบหลับขยับกักินพอลงไปข้างล่างเลยกับเจ้าเจ้านโยมเนาะ คนเก้าสิบสามคนญาโยเนี่ยกว่าจะกว่าจะพร้อมกว่าจะเลิกลากันได้กับเป็นครึ่งชั่วโมงพอเราขึ้นรถมาเนี่ยเราก็นั่งเบาะเดียวกับหลวงพ่อใหม่หลวงพ่ใหม่ท่านก็เลยบอกชาวเมื่อกี้เนี่ยมีพระเช้นมาหาผมองค์หนึ่งผมรูกว่าพวกท่านขึ้นมาพระองค์นั้นก็อายุเยอะแล้วลเขามาถามผมบอกว่ารถ อ่าจะไปกลับเมืองไทยหรือเปล่าหลวงปู่ก็บอกว่ารถเขาไม่ได้ไปเขาอยากจะกลับเมืองไทยหลวงปู่ก็ถามว่ามีตั๋วเครื่องบินไหมพระองค์นั้นก็บอกว่าไม่มีหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะกลับยังไงเพราะว่ารถคันนี้เขาไม่ได้ไปเมืองไทยแล้วพระองค์นั้นก็เดินลงรถท่านก็เอะใจในะว่าประตูมันยังปิดอยู่นะแต่ว่าพระองค์นี้เดินทะลุ ป, ประตูได้ยังไงท่านก็พูดอย่างนี้ เสร็จแล้วพอรถไปถึงที่พุทธคยาก็เข้าไปวัดไทยมัคคตหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยมีวัดไทยเราอยู่<ม>เข้าไปยอดญาโยมก็ทานทานข้าวกันก็มีห้องรับรองเนาะ<ม>เสร็จแล้วเราก็ไปฉันน้นําปนะกันก็มหออีห้องหนึ่งมีห้องอีกห้องหนึ่งก็ไปนั่งฉันน้นําปนะกันแล้วมีพระท่านก็มาคุยด้วยท่านก็บอกว่าไม่กี่วันเนี่ยมีพระไทยเราเนี่ย มาตายที่เนี่ยองคหนึ่งมรรคภาพเขาสั่งไว้ถ้าเกิดว่ากระดูกเขาเนี่ยเอาไปลอยที่แม่น้าําคงคาลุงปู่ก็บอกว่าพระรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมพระ อ, อนั้นก็บอกว่าใช่เมื่อไม่นานวันนี้ยเราเรื่องเนี้ยมาคุยที่บ้านพัดที่วิภาวดีหกสิบมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าอันนั้นญ า, าติของเขาเองเ อ, อ้าวเหรอ ลุงปู่ก็บอกว่าพอกลับเมืองไทยแล้วไม่นานนะลุงปู่ท่านก็บอกว่าชาวเราได้ไปฉันบ้านพระองค์นี้อยู่เขาทําบุญให้กับพระองค์นี้แหละนายโยมที่ทาบุญกันแบบนี้เนะี่ยวันนั้นที่บ้านวิภาดีหกสิบโยมก็พูดว่าเป็นญาติของเขาเองเขาก็เสียนเขาเป็นผู้พักษาเขาก็เสียนแล้วเขาก็ไปอินเดียแล้วเขาไปบวชที่ น, นู่นแล้วก็เสียชื่อที่ น, นู่นเนี่ยมันลองรับกันได้พอดีไหม ใครบอกว่าวิญญาณนม่มีตายแล้วสูญนะไม่สูญนะอันนี้คือที่ที่เจอมาแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะี่ก็คือการทำสังฆาทานแบบนี้เนะี่ยแล้วจะถึงถึงอย่างสสขปุลที่ว่าเออชื่อได้ไม่ต้องกลัวเพราะลูกสาวเขาคุ้นกันลูกสาวเรายังขอลดคันที่แม่ก็โดนยิงตายเนยะุ่นหมดเลยอะเลือดกระจายเต็มรถหมดลูกสาวก็บอกว่าลงพี่ รถยังไม่สิ้นสุดคดีวะงั้นเนี่ยเขยังอยู่ในคดีอยู่ผูหนวดนางสารนะ <c oughs> แต่เรื่องทางโลกก็ว่ากันไปจะมีเหตุอะไรที่จะต้องตายโดวยวิธีไหนก็ต้องตา ย, ยกันทั้งหมด <c oughs> อันนี้คือเป็นอุทาหรณ์ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถือว่ามีโชคเป็นบุญของเราแล้วแต่บางคนก็ใช้บุญเปลืองเอาไปรุ่ยทุยแขกเอาไปนอกรูนอกทางเขาเยอะนะแต่ว่าเมื่อเรามีสติเนี่ย ทะลึกได้ว่าเออเราก็ใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้วเราก็เอามาทําคุณงามความดีมาสร้างบุญบารมีกันบ้างเพราะว่าในโลกนี้เรามาเที่ยวเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเราก็มาสั่งสมคุณงามความดีอย่างที่เราพวกทํากันอยู่นี่แหละมีการให้ทานบางรักษาศีษบัง้งทวนาบ้างเลี้ยงดูบิดามารดาดูแลบุตรภรรยาสามีสองเข้อยาิเนี่ยสองเคราะกันไปตามที่โอกาสเราทําได้คิดดีทดําดีพูดดีให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้สําคัญที่สุด อย่างเราทํางานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยต้องให้โอกาสให้เกียรตินะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมาทําให้พวกเราจะริ่รุ่งเรืองหรือว่าหน้าที่การงานแลขขว้วก็ครัวที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมีความผาสุขเนี่ยความสงบสุขความนุ่มเย็นใจแล้วก็สบายเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือบุญ น, นเนี่ยที่เราเกิดกันมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีบุญนเนี่ยเกิดยาก อย่าไปคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของง่ายนะไม่ใช่ง่ายยากกว่าจะเติบโตมาได้กว่าจะมีอวัยวะสมบูรณ์มีตาดีหูดีไม่ง่อยเปี้ยเสียขาไม่มันเป็นเป็นบุญอย่างยิ่งของเราที่ทํากันเนี่ยถูกแล้วละ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ของง่ายจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยก็ยังยากแต่ก็ยังดียังมีครูบาอาจารย์เนาะพวกเราก็ยังมีพระมาเยี่ยมเยียนเนี่ย มาโยไม่ไปพระมหาเนี่ยดิฉนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโยไปวัดนะทุกวันเนี่ยพระมหาโยมแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันก็ได้มีโอกาสก็ได้มาเยี่ยมเยียนกันก็ยังคุยในรถเมื่อกี้เนี่ยไอ้งดที่บารุงหัวใจอ่ะพุนี้เช้าจะมาฉันนี่แล้วนะแต่ยังไม่ได้อ่ะ คืนน right ั้นเราพยายามโทรหาครูบาอาจารย์ให้มาก็ไม่มีใครมาะจังหวะติดงานกันพอดีปู่บุญเรืองก็ติดงานอาจารย์บางคนเนาะติดงานท่านก็มาไม่ได้ เพาะฉะนันงที่เนี่ยอยากทําบุญแต่ไม่มีพระเ ย, เยอะเลยแต่พวกเราไมถือว่ามีโชคมีโชคดีว่าได้มีครูบาอาจารย์มีที่ทําบุญตักบาทกันหรือว่ามีโอกาสเราก็ไปภาวนากันเปลี่ยนสถานที่ที่พวกเราได้ไปวเวียนกันไปเนี่ยสับเปลี่ยนบุนเวียนไปวัดครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่บ้างคือว่าไปเปลี่ยนสถานที่ภาวนาเหมือนกับอพระที่ไปทุงดงกันเนี่ยไปทุงดงแต่ละที่เนี่ยมันก็มี ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันบางที่สวดปฏิโมกดีนะเราเคยไปพุดงแถวแถวอุ้มผางอะที่ท่านซงอยู่ที่บ้านเสประประทะเนี่ยเขตนั้นเน่ยมันก็เลียงไปทวนปฏิโมกต์เน่ง่ายเลยจําแม่นสวดใต้วันหนึ่งหลายหลายข้อเลยนะเราไ ป, 5, ไ ป, ปศึกเนี่ยตอนน้ำชาที่ห้าไปสวดทวนปฏิโมกเนี่ยแต่บางที่เนี่ยภาวนาดีบางที่กิตเป็นสมาธิดีแต่ปัญญาไม่ทํางานก็มี นั่งเขาสมาธินี่ง่ายเลยแต่ว่าปัญญาไม่ทํางานไม่เหมือนกันนะแต่ละที่ที่ไปทุดงเนี่ยเพราะว่ากรรมเกี่ยวข้องเหมือนพระพุทธเจ้าอ่ะท่านสร้างบารมีเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ก็ยังคุยให้โยมฟังว่าทาไมพระพุทธเจ้าต้องไปตัดสัตวตรงต้นพระศรีรมาโพธิ์เพราะผู้ที่บําเพ็ญมาเพื่อตัดสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปนั่งที่ตรงนั้นเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็ น, ปนที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องไปตัดสรตวตรงนั้น องค์ที่ผ่านไปแล้วก็ตรงนั้นแหละแล้วองค์ต่อไปก็ต้องไปนั่งตรงนั้นแหละแต่เพียงต้นไม้นี่เปลี่ยนไปเดิมต้นโพนี่ไม่ใช่ต้นโพนะชื่อเดิมของเขาเนี่ยชื่อต้นอัศศิพระเจ้าบางพองค์เนี่ยไปนั่งต้นไม้ต้นไหนเนี่ยประทัดสรุปต้นไม้ตัวนั้นก็จะเป็นต้นโพต้นกลุ่มก็มีแค่ผอยก็มีแค่นาก็มีต้นไม้ต้นที่ตรัดสรุปเป็นพรพุทเจ้าไปนั่งแล้วเนี่ยถ้าถ้าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยไปนั่ง ตัดทะลุตรงต้นไม้ตนนั้นปุ๊บก็จะเรียกต้นต้นโพหมดจะเปลี่ยนชื่อเลยนะเปลี่ยนชื่อเพราะฉะนั้นแล้ ว, วการที่ะตัดทะลุได้แต่และองค์ไม่ใช่ง่ายพระเจ้าแต่ต้องโอมงเป็นบา ร, รมีอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังมานะยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปกราบไประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเาคยงนี้ตอนที่พระอา น, นุนท่านถามว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยดับขันธมิภานไปแล้วเนี่ย กฎบดกฎทิดาเนี่ย ล, ลึกถึงพระเจ้าจะทํายังไงต่อไปเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปในที่สี่สองเวเนี่ยที่ที่เราประสูตริตรู้ปฐมเทศนาหรือไม่ผานเนี่ยก็จะทําให้บุคคลนะั้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็จะให้เข้าถึงพระนิพพานได้คนเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในการมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยทําไปแบบสังาตายมันก็ไม่เกิดผลเมื่อ น, นี้เราทํางานกันเนี่ย ถ้าเราทำพอให้หมดไปวันๆหนึ่งไม่เลยไต่ตองไม่พิจนาไม่น้อมขึ้นมาว่าเออคนรุ่นเก่าเขาทำว่าให้พวกเราได้ทำงานกันมีงานทำอย่างเนี้ยถ้าไม่ทำงานตัวนี้ขึ้นมาเราก็ไม่มีอาชีพแล้วก็ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก็คือผู้ที่เอาเอาหน่วยงานทั้งเราหรือว่างานทั้งเราเนี้ยให้คนได้ใช้ได้สะดวกสบายเนาะเนที่เราทำกันเนี้ยเขาเรียก บ, บริการประชาชนนั่นแหละ ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่เ อ, อื้อซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไม่มีความสะดวกสบายหรือว่าความพลาสุกก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดสินห้าสินแปดเราก็ไม่รู้ธรรมะคำํำสอนเราก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นเนี่ยถ้าเรานึกถึงแบบเนี้ปุ๊บเนี่ยใจเราก็จะเกิดปิติเกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธาประสาธะทาให้พวกเราเนี่ยตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําให้ถึงธรรม ทำก็เข้ามาในใจของเราเนี่ยได้โดยง่ายไม่ยากแต่ถ้าเรานึกเองคนเดียวเนี่ยทําอะไรถูกหมดนะนึกเองเนี่ยอ่าทําผิดก็ยังว่าถูกเลยเนี่ยไปถ้าไปลึกถึงแล้วมีครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติทำแล้วก็เอาธรรมะที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือว่าอปรากฏขึ้นในใจท่านแล้วเอามาสอนพวกเราเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเราลองผิดลองถูกอย่างที่ทํากันเนี่ย ก็ครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติมาแล้วเห็นผลมาแล้วท่านก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาสอนเราตามตำราหนังสือเนี่ยมันเป็นแค่แผนที่ชี้ทางทเฉยๆรู้ตามนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่เท่ากับเราลงมือเดินทางหรือว่าปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเรียนมาแล้วเนี่ยมันแค่ความจํจมาเนี่ยจํามาเฉยแต่ยังไม่เคยลองทําดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราได้ยินใน้ฟังแล้วก็ลองทําดูอย่างเรื่องภาวนาที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดเนี่ยที่คําบริกรรมพุโทโธพุทธหรือว่าเราพุทธหัดแบบไหนมาเนี่ยเราลองทําเต็มที่ถรื อ, อยังถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันไม่ปรากฏแสดงว่าลองเปลี่ยนดูบ้างสิเปลี่ยนคําบริกรรมดูบ้างในตําราที่เรียนมาจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดสี่สิบชนิดแต่ถ้ า, ถ, าถ้าทําจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนะทําให้จิตเป็นสมาธิหรือสงบปล่มเย็นเนี่ย มีมากกว่ามากกว่าในตำราการจดบาราันบันทึกว่าเนี่ยคือไม่มากเท่าไหร่สี่สิบอย่างเนี่ยไม่มากนะอันนั้นคือเป็นแค่แนวทางพอที่จะทําได้หรือว่าให้พวกเราในจําได้แต่อุบายวิธีที่ทําให้จิตเจ็สมาธิเนี่ยมีหลายนะหลายวิธีการมีกระสินมีทั้งอะไรเยอะแยะหมดแต่ว่าแนวทางในมีที่บันทึกไว้เนี่ยมีแค่สี่สิบนะ แต่การที่กิจเป็นสมาธิเนี่ยมันมีหลายวิธีการนิมยมคนหนึ่งมาคุยใฟังตอนนั้นเขาเรียนจบที่มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์การแผงแสนเสร็จแล้วไปต่อที่มหาสารคามมีวันหนึ่งเขาไปทําบุญกันที่อวัดของวัดดอยธรรมเจดีอ่ะ่ะเนียวัดดอยธรรมเจดีที่สกลนครคืณนักปรึกษาเขาก็ไปทําบุญกันพอดีแกเป็นคนเข้าวัดใหม่โยมคนนี้ เนียเสร็จแล้วตอนนี้เพื่อนก็ไปนั่งฟังเทศแกฟังไม่เป็นเนาะแกไม่ไม่ใช่คนวัดร้อยเปเซ็นแกเคยฟังฮะแกนั่งที่โรงครัวที่ตรงโรงครัวที่วัดดอยธรรมเจดีเนี่ยมันจะมีทานน้ำตกน้ำมันไหลแกนั่งที่เฉยอยู่คนเดียวแล้วแกก็นั่งดูน้ำตกเนี่ยพอนั่งดูน้ำตกกระเจ้าพักหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าจิตแกมีความสุขเนี่ย ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยแกนึกถึงวัดตลอดเลยจิตเป็นสมาธิเนี่ยแกก็นึกถึงวัดเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแกไม่รู้ว่านั่นคือสมาธินะนั่นนะดูน้ําตกจิตมันก็เป็นสมาธิได้เขาเรียกมันเป็นกระสินโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวกรสินน้ําอโปรกระสินนะเพราะนั่นจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่บอกสถานที่และไม่บอกอาการเยอะบางคนนั่งดูไอ้ดูก้อนเมฆเนี่ย นอนเล่นนั่งเพ่งก้อนเมฆนอนเล่นเฉยๆเนะ่ยจิดก็เป็นสมาธิได้เขาเรียกอะอโลกากสินเนี่ยเห็นไหมมีพระองค์หนึ่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีไอ้กุฏิเนี่มันเป็นไม้ไผ่ก็นอนเล่นกลางวันเนี่ยพักผ่อนหน่อยแล้วมีแสงสว่างแสงสว่างจากเอไม้ไผ่ที่มันขัดแตะก็นอนเล่นพักผ่อนเนี่ยแหละแล้วกัมองแสงสว่างตรงนั้นเนี่ย มองแสงสว่างมองช่องที่แสงสว่างรอดเข้ามาจิตมันก็เป็นสมาธิเห็นไหมเนี่ยคือจิตเนี่ยมันจะเป็นสมาธิหรือว่าจะไปสัมผัสกับอะไรเนี่ยมันบอกไม่ได้แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยต้องยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาพิจนารณาง่งเนืองอารมณ์กรรมฐานคืออะไรก็คือสี่ประธานสี่ที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันมาตลอดแล้วพิจารณาอย่างไงอ่ะพิจารณาร่างกายเราเนี่เนี่ยให้รวมลงในนิจังทุกขังหน้าตาอุบายวิธีอย่า น, นี้มันแล้วแต่จรหิตของใครเนี่ย ของเราไม่เหมือนกันแต่อุบายวิธีก็คือว่ะพิจารณาเป็นศัตรูวัฏฏะก็ได้ไม่สวยไม่งามก็ได้แยกมาเป็นส่วนๆก็ได้แล้วเอาไปเผาก็ได้อันนี้มันเป็นอุบายวิธีแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่ตำราเนี่ยคือเป็นแนวทางไล่ๆเท่านั้นเองแต่อุบายวิธีอันนี้เราเองต้องคิดคน้นมันก็เหมือนกับเราเรียนจบนะพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยครูบาอ า, าจารย์ท่านก็จะสอน ตำราหรือวิชาชีพเนี่ยมาเลื่มเดียวกันเลยแต่มาจบมาแล้วเนี่ยทําไมทํางานไม่เหมือนกันสังเกตไหอจบมาห้องเดียวกันชั้นเดียวกันมหาลาัยเดียวกันอพอทํางานจริงๆแล้วไปรตรวจพิทารณาแต่ผลเข้ามาล่ะคืออะไรก็มีอาชีพทํามาเก่งคือได้เงินในทองมาอันหนึ่นงเพราะฉะนั้นบางทีมันยึดนเไอเรามันยึดต้องเป็นแบบตำราอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่ เพราะมันจะเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตามตำราอย่างที่เนี่ยที่เราเรียนมามันแต่ว่าแนวทางเนี่ยคล้ายๆว่าถนถนนู้นทางทางเดินไม่เหมือนกันแต่ความรู้จะปรากฏขึ้นเนี่ยมันมันเหตุการณ์นั้นๆไม่เหมือนกันแต่ว่ามันลงรอยเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านคุยกันเนี่ยท่านคุยกันไม่เยอะแต่ไม่เหมือนพวกเราพวกเราคุยเนี่ยเขาจึงบอกว่าถ้าใครจะรู้เนี่ยอยากรู้เรื่องพระอรหันตธถามโยม โยมไม่จะรู้เรื่องดีนะใครองค์ไหนเป็นพระลรหันเนี่ยะจะรู้หมดอันนี้มันคือแนวทางที่ทำกันมาเนี่ยคือมันไม่ถูกเพราะว่าวินัยเนี่ยล่อแหลมนะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้มันอยู่ในประทิกสี่เนี่ยเหมือนกับเราเองเนี้ยพระเนี่ยอาตมาได้ชา น, นั้นขั้นนั้นขั้นนี้ได้สมาธิอย่างนั้นนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ถูก ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงปุ๊บเนี่ยวิบัติจกักพระเลยนะขาดจากักพระเลยเรื่องพวกนี้เหมือนอย่างโยมมีนิมิตกันเนี่ยก็จะมาถามพระอยู่เรื่อยเลยแล้วบับงคับบังคับพระให้รู้ด้วยนะถ้าตอบให้ได้แล้วดูบ่อยในะเรื่องเนี้ย อ, อบอกให้โยมรู้เลยว่าดูบ่อยมากานนมัน่อเนมโยมเองเจ้าของเองยังไม่รู้เลยใจพระรู้ดูที่เนะี่ะไม่ว่าจะเป็นภาพนิมิตหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่นะกลิ่นอะไรก็แล้วแต่รูปภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ย อันนี้มีประจําเลยนะจะให้พระบังคับพระให้ตอบให้ได้ก็คืออะไรอโดยเฉพาะอุบาสิกานะอุบาสกก็เคเป็นไงเพราะฉะนั้นแล้วนิมิตต่างๆนาน า, นาเหล่าเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นขอให้โยมเนี่ยนะน้อมมาเป็นธรรมะกันแล้วกันถ้าว่าเห็นภาพคนตายอย่างเงี้ยมันจะตายจริงหรืไม่จริงเราก็ไม่รู้่น้อมเข้ามาเลยว่าอ๋อเราก็จะต้องตายเหมือนบุคคลที่เราเห็นโยงหน้านี่แหละ ไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องตายถ้าเรานึกมาได้แบบนี้นั่นเน่ยนิมิตเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แล้วทําให้เกิดปัญญาได้อสมมุติเราเห็นเทวดานางฟ้าแล้วกันนะมันจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แหละเมื่อเห็นภาพนะแล้วก็ากดขึ้นเราก็วิตกขึ้นมาเลยว่าอ๋อเขาคงจะทําบุญไว้เยอะเดี๋ยวเราจะทํามั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตามนิมิตเอาแค่นี้ยพอแล้วแล้วเราก็พุโทโธอย่างเก่านั่นแหละทํำไ้เถอะอย่างได้กลิ่นอย่างเงี้ย มันจะมาอสามอย่างเนี่ยที่ที่มันมันชัดเจนนะคือสามเรื่องคือภาพแล้วก็กลิ่นแล้วก็เสียงมีอยู่องค์หนึ่งพระมายากักษเออเออเชื่อยังมียังไม่ตายพระองค์เนี้ยกําลั ง, ง, งล้างห้องน้ําอยู่เนี่ยที่ที่เนื้อแน่ในป่าเนี่ยล้างห้องน้ําเนี่ยถูถูถูถูเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยจะเล่าให้ฟังได้ยินเสียงเสียงแว่วมาบอกว่า ไปฮนะไม่ไปจะไายตายนะออกวิ่งเลยเนะวิ่งออกนอกวัดไปเลยเสร็จแล้วก็สบงก็หลดออังสะก็ห ล, ดลุดแล้วแต่รละ้ะคดมีโยมขับรถมาเจอเอ๊ะคนบ้าหรือเปล่าอยางั้นเนี่ยก็มองหน้าเอา้าพระที่วัดเราเองนี่นะก็เลยเอามาส่งวัดอสบงก็ไม่มีอังสะก็ไม่มีเสร็จแล้วก็เลยถามกันว่ามันวิ่งออกไปทําไมอย่างั้นเนี่ย เขาก็บอกอย่างเงี้ยบอกว่าได้ยินเสียงว่าไปตรงนี้นะไม่ไปจะค่ายตายเห็นไ่มถ้าเรามีสติปัญญาน้อมเข้ามาเลยว่าโอ้ยอยู่ไหนก็ตายหมดเนี่ยเนี่ความตายเนี่ยตายได้ทุกที่เนี่ยไม่ว่าอยู่ในปาน่าในเขาอยู่ในบ้านในเมืองหมอพยาบาลอะไรในโลกนี้ตายหมดไม่ว่าพระราชาหมากษัตริย์ถ้ามีสติปัญญาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะปัญญาจะเกิดขึ้นตอนนั้นเลยอ<ม>ืปัญญารู้แจ้งจริงเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ตื่น แต่แสดงว่าที่เขาวิ่งออกไปเนี่ยคือจะหนีความตายอ่ะแล้วมันมันตายมันหนีตายได้ไหมละ่ะมันก็หนีไม่ได้นี่เนี่ยคือนิมิตที่เกิดขึ้นมันจะมีทั้งเสียงภาพแล้วก็กลิ่นสามอย่างเนี่ยพอเวลาเราภาวนาเนี่ยจําให้ได้จำไว้ให้ได้เลยมันจะเกิดขึ้นสามอย่างเนี่ยเป็นหลักเลยแต่ขอให้เราน้อมมาเป็นธรรมะให้ได้แล้วกั น, นยโยมบางทีฝันฝันแล้วฝันหลุดแล้วอยากจะตายเนี่ยอย่างเงี้ย าตายก็ตายยุดพอเราเกิดมาก็ต้องตายหมดไงว่าญาติวาใครอะวันใดวันหนึ่งก็ต้องตายเหมือนกันหมดมันจะไม่ตื่นไม่สนกไม่กลัวแล้วใจเราเนี่ยมันจะหนักแน่นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีหลักวิเกณฑ์อย่างเงี้ยขอให้เราคิดอย่างเงี้ยเนี่ยคือธรรมะมันจะเข้าใจแจ่มแจ้งตอนที่จิตมีสมาธิแล้วเกิดปัญญาตอนนั้นเน่ยแต่ไอตัวเนี้ยคนไม่ค่อยน้อมเข้ามาเขาก็จะคิดแต่เรื่องนอกหมดเลยคิดไปนอกมันก็กลายเป็นสมุทยัยโทษของมันคือทุกเนี่ย ถ้าเราทําตามความเป็นจริงหรือเข้าใจตามความจริงที่พระเจ้าท่านวางไว้ให้หรือว่าเดินๆตามนั้นเนี่ยมันเป็นมัจนแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ไงเนี่ยพอเห็นภาพคนตายก็เกิดขนพองสยองก้าวกลัวขึ้นมามันเป็นอย่างนี้มีเยอะนะเรื่องเนี้ยมีอีกเนี่ยพระที่ไปภาวนากันในป่าในเขาเนี่ยมันมีเสือนะเสือเนี่ยพอนั่งไปในกดแล้วเนี่ยเสือมัาเดินรอบๆกด ก็มองเสือเนี่ยพอดีเสือตัวเนี้ยมันโดดข้ามกฎเนี่ยมันไม่ได้มากัดจริงๆพระเนี่ยตกใจช็อกไปบิณฑบาตบ้านโยมเนี่ยเช้ามาเนี่ยพูดเสือไม่ได้จะจะจะจะจะจะจะอย่างเงี้ยเสือนเนี่ยจะบอกโยมว่าเสือเสือเนี่ยพูดเสือไม่ออกกลัวตกใจอ่ะจะบอกว่าเสือเสือมันพูดไม่ได้จะจะจะจะจอย่างงี้ยเดินอยเงี้ยบิณฑบาตตอนเช้าไว้ก็จะจะจะอย่างเงี้ยจะบอกโยมว่าเสือ ถ้าเราตกใจอ่ะเนี่ยแม่เราพูดถึงอ่ะเนี่ยแสดงว่าเวลาภาวนากันเนี่ยไม่ได้น้อมถึงเอามรณะมรณานุสติมาพิจารณาใช่ไหมมันก็เลยไม่เกิดปัญญาทําให้เราเนี่ยตื่นตหนกหรือกลัวอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องเรื่องมันมันถ้าเกิดว่าเราคิดไปข้างนอกมันจะไม่เกิดปัญญานั่นแหละว่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์สมัยมาเทศก็นเนาะอะไเยอะกันนี่นี่ปรนุบายก็เหมืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยการที่มาสร้างวัดตรงเนี้ยที่เสนาเนี่ยมันเป็นเรื่อง โยงเขาคิดทำมาสี่สิบสามปีแล้วเนี่ยที่พื้นนี้นะก็มีพระมาหลายคณะจะไม่สำเร็จเราก็ไม่รู้หน่ย่ยเน่ก็เลยเอากะทำไว้จักห้าไล่สิบไล่เอาไว้พักเวลาลงมากรุงเทพเนาะอะไรอย่างนี้แต่ก็อัศจรรย์พอทำไปแล้วก็มีหลายฝ่ายมาช่วยกันจนเป็นเป็นวัดขึ้นมาได้เนี่ยอาศัยร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคนแต่ว่าโถมดินเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงเนีย ไล่ละห้าแสนใช่ไหมผ ม, มไปประมาณสี่สิบไล่ล 40, ะสี่สิบห้าสิบไล่ที่ถมไปเนี้ยก็จากสถายาโยมที่เราทำกันนี้แหลนะเอาไว้เป็นที่พักครูบาอาจารย์มาหรือทำวิธีกรรมต่งางๆก็สะดวกสบายดีแต่ที่เดนเน่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเป็นดินที่ถมใหม่พอเวลาเราจะสร้างอะไรสักหน่อยต้องใช้เข็มเยอะเหมือนวัดป่าภูทัดเคยไปไหมวัดป่าหลวงปู่เียวเราเนี้ย จมไปใต้ดินนะพระหลายโยมกว่าที่จะโหมขึ้นมาได้เนะี่ยดินเหมือนกันแล้วลบขุดบ่อหลายลูกนะที่วตาตาพูยทัศดเนี่ยขุดบ่อเยอะแต่ดินที่วตตาภูยทัศน์กับตรงนั้นไม่เหมือนกันที่นู่นขุดแล้วดินมันสไลด์มันแบบเป็นที่เลนเนะี่ยแต่ที่วัตตาภูยทัศน์ีไ่ไม่เป็นมันเป็นดินเหนียวพอขุดไปมันจะมันจะไม่สไลมัยขุดไม่ได้เลยที่ขุดไปได้ต้องโถมอีกเนะี่ยที่เห็นกองพลันเทึกไว้นั่นนะ เอาดินนั่นมาโขดมาค่อยโขดเอาจริงๆอยากจะขุดบ่อเอาน้ําไปใช้แต่ดินตรงนั้นไม่เหมือนกันถ้าขุดเราไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันสไลด์เลยมันเป็นดินดําๆเละๆ เ, เหมือนที่เลนเน่ะเนี่ยมันเลยเปืองมากเลยตัวเนี้ยแต่พอเวลาเราจะทําห้องน้ําหรือกุฏิทําอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เข็มถ้าเข็มอย่างที่เราว่ากันนะั้นแหละมันก็ต้องตอกเข็มขึ้นมาก่อนมันถึงจะวางอะไรได้ไม่งั้นมันวางไม่ได้เนี่ยมันก็เลยต้องใช้ทุนพอต้องควร ขจากญาติโยมที่ร่วมกันคนละไม้คนละมือเนี่ยเนี่ยยังถึงสําเร็จได้ก็เดี๋ยววันที่กรถินเนี่ยก็จะวันที่ยี่สิบตุลาที่แรกเลยจะหล่อรูบเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยให้ตรงกับวันกรถินพอดีช่างเขาติดงานไม่ว่างแล้วการหล่อพระเนี่ยโดนโดนครูบาอาจารย์จะหนีเรื่อยเลยทั้งญาติโยมด้วยนะทำไม ห, หล่อเยอะจังอันนี้ไม่ใช่พระชวนโ ย, ย, ยมทํำนะโยมเนี่ยชวนพระธทำเนี่ยที่ถ้หล่อกันเนี่ย โยมมีศราภาษาธรนะองค์หนึ่งไรตั้งเนะี่ยองค์หนึ่งองค์ยืนที่ปางทรงเครื่องที่เห็นเนะี่ยสองแสนห้านะองค์หนึ่งอนะโยมลองคิดดูอะสี่องค์เท่าไรล้านหนึ่งแล้วแล้วรูปเหมือนครูบาาจารยีกตั้งสิบกวองค์อ่ะองค์ละแสนนั่นแสนแสนนะองค์หนึ่งเนะนี่ยนะแล้วโยมเนี่ยเป็นคนคิดอาจารย์ฉันจะหล่อผมจะหล่ออย่างนี้จริงๆเมื่อกี้กําลัางขึ้นรถมาเนี่ยยังไม่ทันถึงนี่นะโยมโทรมาอีกแล้วจะหลอหรูอปุ้เจตุนโทร เอาไปไหนได้ไหมเอาไปวัดเขาแก้วจันทบุรีอะวัดเดิมของหลวงปู่อะยังไม่มีรูปเหมือนปู่นะเนี่ยโยมชวนให้เราไปไปจันทรนาบากีเนี่ยบอกโอ้โยมไม่ได้เดี๋ยววัดฉันทรนี่ก่อนเงั้นเนี่ยเห็นไหมโยมชวนพระเนียรูปรูปรอเนี่ยยังไม่มีเลยที่จันทบุรีวัดเดิมของหลวงปู่เทียนนะใครเคยรู้จักหลวงปู่เทียนไหมแหนวัดเดิมที่จันทบุรีอะวัดเขาแก้วอะใครอยู่จันร์บ้างเนี่ยมีไหมคนจันทเนี่ยวัดเขาแก้ว ที่จันทบุรีวัดเก่าหลวงปูนะ่เนี่ยโทรมาเมื่อกี้โยมคนเนี้ยชวนเขาจะเป็นเจ้าภาพอาจารย์ไปคุยกับพระวาดหน่อยไหมทำไมว่าเขาต้องการพระยืนหรือพระนั่งรูปหล่อหลวงปู่ยืนนะสองแสนนะใช่ไหมโยมโยมชวนพระทำเห็นไหแล้วพระที่วัดเราหล่อเนี่ยถ้ารูปเหมือนคุบาอาจารย์เหมือนกันเนะยถ้ามีนะสององค์นะเราก็จะแบ่งไปให้คุบาอาจารย์วัดที่เขาไม่มีอ่ะเฮ้ยเขาดีใจนะ บางวัดก็ไม่มีนะอยากได้แต่ของเราในโยมอยากจะให้พยมพเพอเผอเราก็แบ่งแล้วเราแบ่งไว้เท่าไหนโยมไม่คยมาวะถวายแล้วถาวายเลยนะเดี๋ยวเราแจ ก, กไปที่อื่นแจ ก, กไปไหลายวัดแล้วแล้วอีกวัดหนึ่งที่น่าสงสารมากคือวัดพระปูเสนเน่ยเคยรู้รจักพระปูเสนไหมที่อุดรเนี่ยที่ท่านสร้างพระองค์ใหญ่ๆนีะท่านมาที่วัดวันนั้นท่านมาเที่ยวมาเที่ยวหาที่วัดเราที่วัดป่าใหม่ค่เสนาเราเนี่ย พอไม่เห็นรูปเหมือนที่วัดเนี่ยท่านก็เลยอยากได้ก็เลยขอเราบอกท่านปู่เอาเดี๋ยวผมถวายก็ถวายไปสององค์มีหลวงตามหาโบองค์นึงแล้วก็ลุงเจ้าคุณอุบาลีองคหนึ่งโอท่านดีใจบอกหลวงปู่ว่ามีรถมาก็มาเอาได้เลยรีบโทรไปหาลูกศิษย์เลยไม่ได้เดี๋ยวท่านชาวเปลี่ยนใจมั้งเราก็กล่าวเรียนท่านผมไม่เปลี่ยนใจครับผมให้จริงๆ ท่านโทรเดนะั้นเลยไม่ได้ไปไหนจะเปลี่ยนใจคือท่านหล่อไปแล้วท่านไม่สวยที่หล่อไว้ตั้งสิบพระองค์เนะี่ยท่านบอกชาวเอ๊ะตัดคอเปลี่ยนใหม่ได้ไปเนี<ม>่ยอังผมอ่าไม่สวยจริงๆท่านเนะี่ยเราก็เลยเอ๊ะเอาไหนดีเนาะก็เลยให้เขาส่งภาพมาดูจริงๆองค์จริงเราไม่เห็นนะแต่ก็ส่งภาพให้ดูไม่เหมือนจริงๆมันเหมือนจะชื่ออย่างเดียวพอไม่เห็นที่วัดเราปุ๊บเนี่ยท่านอยากได้เลยก็เลยว่างวดนี้ยจะถวายท่านองค์หนึ่งนะเป็น หลวงปูนะ่น่ะหลวงปู่น้อยหลวงปู่น้อยองค์นึงก่อนแล้วก็ให้ลูกศิษย์ท่านเขียนมาว่าจะองค์ไหนบ้างทั้งหมด29องค์มาโยม29แสนเะนี่ยคิดดูวะ <c oughs> 29แสนนะองค์ละแสนนะเนี่ยก็เลยบอกก็คุยกันอย่างนี้เนะี่ยบอกเดี๋ย ว, ยวๆค่อยๆเดี๋ยวมีโยมโยมใจตรงกันก่อนเดี๋ย้ค่อยหล่อถวา ย, ท, าวยท่านไม่สวยท่านไม่สวยคือท่านฝรั่งได้คุยกันอย่างนี้วันนั้นท่ามาคุยกันที่วัดเนี่ยเนี่ย ท่านอยากจะหล่อลูกเหมือนผูู้บาจารย์ที่เคยมาพักอ่ะวัดป่าหน้องแสงน้องแสงไงตรงนั้นเนี่ยน้องแสงเนาะนวลวิาน้องแสงองสง่ะตรงนั้นเป็นวัดที่ลุงปู่บัวบริปุลโนท่านอยู่ที่นั่นเคยได้ยินไหมที่ว่าธรรมะขาดหักอ่ะอตอนนั้นท่านพิจารณาธรรมแล้วท่านยังติดขัดอยู่ท่านก็เลยนึกในใจท่านนะนึกในใจถึงลุงปู่วันตาดเราเนี่ย หลวงตานี่แหละนึกในใจว่าท่านติดขัดพิจารณาแล้วมันมันไม่ทะลุมันติดติดอยู่วันนั้นหลวงตาท่านก็นไปเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จแล้วท่านดีใจมากเลยนะท่านก็เลยปรถทํธรรมกันก็คุยปุ๊บนี่มนติดตรงนี้หลวงตาท่านบอกติดตรงนี้หลวงตาท่านนอนพักที่นั่นเลยคืนนั้นนะแล้วคืนนั้นเนี่ยลูกปู่บัวเนี่ยท่านก็ยก อารมณ์กรรมฐานที่ว่าที่ติดขัดตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาพิจารณาท่านนั่งเน่เสียงคานเนี่ยคานกติคานฉลาเนี่ยเสียงดังปุ้มคืนนั้นเนี่ยท่านสาเร็จกิจเป็นปารยะคือ น, นั้นเลยพอตอนเช้ามาหลวงตาบอกมันต้องอย่างนั้นสิเนี่ยนั่นเนี่ยเาเรียกว่าธรรมคขันหกตรงเนี่ยเสร็จแล้วตอนเนี้ยพระองค์ใหญ่ที่ทำเนี่ยต้วงปู เศษท่านก็คุยเรื่องนี้มันกันว่าลุงปู่บุญบีเนี่ยท่านเคยประลบไว้ท่านว่ายอย่างงั้นอยากจะทําพระไว้สักองค์หนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าใหญ่ขนาดไหนนะอท่านคไปรบศิษยกันนะท่านก็เลยสร้างไว้องค์หนึ่งกําลังสร้างใกล้เสร็จแล้วละ่ะแต่นี้ท่านก็ยอยากจะหล่อรูปเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมาพักที่วัดเนี้ยเอาไว้ในในใ น, ในที่พระจะมีสองชั้นเนาะพระท่านท่านสร้างไว้สองชั้น แล้วท่านก็จะเอารูปเหมือนครูบาอาจารย์นี่วางไว้รอบๆให้ให้โยมเข้าไปจะได้สักการะบูชากันท่านบอกว่าอยากจะหล่อรูปเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยมาพักอะ่ะจะหล่อให้ทุกองค์เลยถาวายอย่างงั้นแต่ถ้าหล่อไปแล้วเนี่ยสิบกวองที่ว่าไม่สวยปุ้นเห็นทั้งเรานางสาเลเหลือ่ะพอเห็นทั้งเรานอ้หอนชาวที่สวยดีท่านก็เลยขอที่ว่างไงเราก็เลยถวายไปเลยสี่องค์วันนั้นเน่ะรีบเอารถมาเอากลัวจะเปลี่ยนใจ ผมบอกลูกปู่ผมไม่เป็นใจเขาผมให้จร uh nice> uh uh uh uh uh uh uh ิงๆน่ก็เลยจะหล่อหลวงพ่อน้อยองค์หนึ่งเดี๋ยวถ้าเขียนตำรามาแล้วไอ้เขียนชื่อครูบาอาจารย์อ่ะยี่สิบ้าองค์เนี่ยเดี๋ยวใครโชคดีมีชัยนะโอ้โโองค์ลององถวายท่านวันล้ใได้พรอไอ้ชักพรคุณก่อนเนาะเดี๋ยวคุูมากลืมละบางที่ชักพรคุณก่อนเอาขนมือไว้เนาะแต่วางไว้นก็ได้วางนี่ไอ้ชักพรคุณก่อน น่พนมมือไว้หนึ่งๆเนาะนึกถึงญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้ว อ, อ่นินาวตาสังคาราโอปาดาวัธิธรรมีโนาอาโอปาจิตวานิโรจนติเตสังอุปาสัมโมสโขสัมเมสตามรันติจามาริงโซจามริสเร สาเทวาหังมริสามีนาธิเมตสังสยูร์เอาชิ้นพันได้ชิ้นเก็บไหนสาธุรูกศิษย์ลูกสินะเอาครับ้็เดี๋ยวเอานี้มาประเคนเอาันนี้ดึงดึงกลับไปนั่นแหละ อันนี้จะปะเคห์นจ ะ, ะเคห์อาหารจะปะเค uh, uh, uh, หาน์นนั่นแหละอานั่นแหละอ่าพันเดี๋ยวปเคห์นอาหารก่อนอันนี้ไเคนอ่างั้นเดี๋ยวไปเคหก่อนเ้าแล้ ว, ลวันเดี๋ยวให้พรก่อนดีกว่าเน็ ตะเคนก่อนไมเอานี้ก็ได้เอาผ้าก่อนนะเอาผ้าก่อนอันนี้ก็ได้มันจะได้มันขยับเนี่ยขยับไป ย, ยาวนะได้ครับไม่นนเป็นไร ม, นมันจะไม่เต็มเอาเอาเอาอไกัน่เอาล้วเดี๋ยวงี้ให้พรก่อนนะก็ เ, เป็นอรู้กันนะข อ, นของเรานี้ก็เราถวายแล้ว ก็ชักบางสกุลแล้วก็เป็นกรรมเสด็์ของพระนั่นแหเดี๋ยวพระก็จะอนุญาตให้โยมกินเหมือนกันให้พรก่อนเนาะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวให้พรก่อนนะมีอะไรมาบุเก้นไหมมีอย่างอื่นเนาะให้พรทัทีก่อนโยมทานข้าวกันจะเผื่อจะไปทางานต่อมีอะไรยังไงไหม อ, อ๋อมาบุเกเลยนั่นดีดีฝอย ด, ดีนะเนี่ย คอยรอไวไ้โดยในตัวเลยมาไปเค้นนั้นนี่ก็ได้สาธุในบุญทานอย่างที่ว่าเนี่ยมันเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกวิญญาณมั่งหรือบุญกุศลที่เทวดานางฟ้าเนี่ยหรือวิญญาณญาติทังเราบางทีเราทําบุญเนี่ยเขามาอยู่ใกล้เราถ้าเราทิ้ให้เขาพบเนี่ยเมื่อเขาได้รับบุญกับพวกเราในสายเลือดเนี่ยมันจะรับง่ายญาติพี่น้องเนี่ยพราอเราสายเลือดเดียวกัน เขามาอมุดอ่านโมทนาบุญกับเราแล้วก็เขาก็จะไปสู่ภพที่ดีแล้วก็ก็จะไปเกิดเป็นคนที่ดีเนาะก็จะมาช่วยเหลือกันอีกเหมือนอย่างพระเจ้าพิมิสารพวกเราที่เคยได้ยินกันนะนะที่พระเจ้าทําบุญสองเที่ยวอ่ะที่วัดถวายที่สร้างวัดที่วัดเวรุวันเนี่ยก็ทําบุญสองเที่ยวก็คือว่าญาติที่ตกนรกอยู่เนี่ยรู้ว่าพระเจ้าพิมิสารถวายที่สร้างวัดแล้วเนี่ยตกนรกมาหลายกลับหลายการแล้วเป็นบุญที่ใหญ่ เสร็จแล้วพระเจ้าพิมิสานก็ไม่ได้อุทิตถวายนะตกกลางคืนมาก็ร้องหหยหวนเนี่ยเราต้องทําบุญอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่มีการแผยเมตตาท่าที่พวกเราได้รู้กันอยู่ก็คืออะไรอีทงัทงเมยาตินังฮโตกสุขิตาฮโตกยาตโยเนี่ยเกิดจากพระเจ้าพิมิสารทําบุญสองเที่ยวเนี่ยบุญที่พระเจ้าทํำในครั้งนี้อุทิตให้กับญาติของพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาไทยเรานะ แล้วเดี๋ยวก็ให้พอนก่อนเดี๋ยวโยมไม่ทำงานไม่ได้ทำงานเดี๋ยวมโหเยธ า, าวริวะปูราบริปูเรนดิสาขรัง เอวเมวอิโตดินังเปตาดังอุปกปปติอิจิตังปะทิตังตมหังขิปเมวะสมิชาโตสเมเรสังกปาจันโดปนารโสยะธามนิโจติราโสยะาเอวะจันโตสัมบาลโโเวนาสตมาเทวาวัตวัน ราโยสขินีขายุโภพวันอภิวัฒนสิเรนิจงุทธาปัยิโนจันตาโรธมวาทันเตียงอายุโนสุขัง อาลังกายจาโคดางกินาดินนาสังขมีสุปติทิตายกระตังอิตาญาสาเดนาโสภะปะเตสอยาดิธัมโมจายังนิราชิตเปตานะบูชาจักะตาอุรารา มาราจพิโกนาโมบดินังถมเหียบุนยางบาสตังอนาปะกันตีรัตนัตญาโนภาเวนารัตนัตยาเตชะสังการองค์กาพยาเวราโสการสาตโจตฺถาวร อานิยังการดารปยเวณสันโดษสโตชายาสิเดธนาราภังโสธิพยายโสพังภรังเริยายจวณโนยเจ้าังวุธีจัยสวาสันดาวาสาายาจาย พรวันตุเตพาวตุสามพระมังกรังราคันโดสามพระเดวตาสาบัมโบธานุภาเวนาสามสุทีพรวันตุเตพรวันตุสามพระมังกรังราคันโดสามพระเดวตาสามธรรมานุภาเวนาสามสุทีพรวันตุเต พะวัโตสามบังกลาลังราคันโดสามะเดวตาสามบสังฆานนภาเวนาศาธาโสติพวันโดเดขอให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรากราบไปทางเข้าได้อุทิศบุญกุทนนะครับขอให้กราวตามนะครับข้าพเจ้า ขอพระทิดทรงบนส่วนกุส่วนนี้ไปให้ทุกโลกทุกงามทั้งยี่สิบชั้นอมาโลกหกชั้นเทวโลกมนุษยโลกมารโลกยมมาโลกอัปบยักภูมิทั้งสี่มีนรกเปรบ สุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายและในหมื่นโลกธาตุจัดอีกแสนจักรวาลพิทักษ์ทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์รูปปิญญาอรูปปีญญาและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ทุกโลกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ม e <ent> ีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกโล ก, กทุกนามจงมอนธนาในส่วนกุศลนี้ทุนได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะทุนได้รับนักการบัดนี้ด้วยเธออรหังสัมมาสัมพุธโต้าควาพุ ทางพระพะวันตาอภิวาเทมสวาคาโตพระสวัสดธรมโมธมนัมมาช่าสุปฏิปันโนพระสวะโตาวตัง